การใส่บาให้ทางนี้เป็นการเดินทางไหมเป็นการเดินทางไหมเรื่องไม่ใช่คิารเป็นกเียกระเปิด่กระป เงินก็เสตั่อนะเ้าขาจะบอกเจ้าข้จะังือกลังเดือเลือีอ่ห้องรถแต่ไม่ได้เดิน ปฏิบาาัติธมถึงจะเป็นก้แรกบันไดแห่าางปฏบัติรถึงเป็นการเดินเพราะฉะนัน้น <c oughs> ขอบคุณครบาอาจารย์มาให้เสร็ ฉนะันเป็นมนรษ น, น, น, น, น, นั้นพวกเราในฐานที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษที่รัตัวเองหูไม่หัวตาม่หนวเผื่อจะทำแบบเดิมๆไปยังม่อยู่ตรงนี้ทีไหนที่เป็นยอดของคุณให้ดีทำ พวกคนยืนลงเรื่ององเรื่องเของนยนเรื่องของสิ่งมาวาการแก้ไอ่วนเคุ่มา่าต้อง มุการให้ทานมการรูษาสีมีกา ร, าการจเจริญสมาธิเข้ามามการให้ทานนี้เป็นเป็นบุญชั้นต่ำมากในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจิตรงสงสเลยอย่างนี้ก็เรา คิดว่ามีบุญมากนะพระเจ้าศาสนาคิดว่ามีบุญมากที่สุดแตจะต้องวางตัวกับความเป็นศาสนาไม่ถูกต้องไม่พอที่จะให้ปกติทีุ่ทีเนะี่ยมันเข้ามันน่าจะเข้ากรีก๊แยกกันทุกคนแลนะ้ะ จากมือมนุษย์ไปน้าเนี่ยกลับมาอีกเนี่ยเราบอกได้เลยรอดเป็นเจนไม่เจออีกแล้วาาศ า, นะ า, วาสตร์ทั้งหศาสตเน่หเนี่ยพวกตุไ ม, ม่ไดคิดเนี่เนะจอศาสตรนาหเนี่ยพระพุทธเจ้กาก็ตรัอาไว้นะว่าไม่มีาศาสรสนาก็มีการที่ทานประจำโลกอยู่ มีศิลปะประจาโลกอยู่ทีนี้มาดูระบบสองอย่างนี้ทีนี้มีาศาสนาพอาะมีาศาสนากุบการให้ทานของพเรานี้กวามม้างมากใช่ไหมจะให้ทานวัดไหนจะให้ทานรูปแบบไหนส้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเกียด์ดีนี่แทน การให้การปร้างสาิ่งสัำคัญทั้งนั้นแต่ถวยายพรอริยะสงฆซึ่งพระพุทธเจ้าประกาศเอาไวา้ว่าเป็นนามบุญของโลกก็ได้เลยมากธรรมะก็สมบูรุม์มาก <S <S เดี๋ยวนี้นะแต่ทีนี้ถ้ามไม่เจริญศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประาศเอาไว้ว่ามีสิ่งได้นะ แต่ดสี่ห้าห ม, มู่บ้านจะมีคนรักษาศีลสักคนหนึ่งแค่จะไม่มีแต่ก็มีทีนี้การให้ทานไม่มีศาสนาก็มีประจนโลกอยู่การให้ทานจะไม่มีสบบนี้นี่ยจะให พี่สาวเรื่ยงให้น้องสาวเลื่ยงให้พี่ชายให้ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนที่รักแค่ๆซึ่งอนุภาพของการให้ทานก็เข้าขี้เล็กจะให้ทานเหมือนวะที่พวกเราทำอยู่นี้ไม่มีท่าไม่เจอศาสนาเพราะฉะนั้เจอศาสนา พ่อยังแก่มาเว้นบนบนุบนอยู่กับการให้ทานเนี่ยซึ่งไม่ใช่เลยพิรสดาทุกพระทุกท่านบอกว่าอย่างไรใถ้พยายางทำบุญให้ครบวงจรทานก็ให้มีศีลก็ให้มีสติปิฏก็ให้มีจะเป็นคนที่ไม่อยากจนเลยใครที่ไหนก็ดีไปหมด อย่างนี้ก็เราเป็นมนุษย์ก็านบ้านเราบอกว่าตัเป็นอะไรที่มากเลแล้ก็เชื่นา พระพุธจ้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจที่จะมารับพวกเราไปทั้นที่ผ่านเรามานเห็นยาพวกเราไม่ให้ก็องค์ท่านรับเกิดพวกเราไม่ฟองไม่มาเราเารป็มนมนุษย์มนุษ์ก็จะปฏิเศธในนี้นะ อ, อาาปีประเภทหนึงดีๆนี่แหละลองนึกลองนึกตั้งแต่เช้าว่โอ้คุณันนล้ใส่มาก็อย่ในนี้นะแตประเภทนี้ต้องดูนะต่ละนีไม่ใช่สัต์อีประเทหนึงซึ่งเกิดให้ยากเหมือนกันนะ s ราเ i ็ o มนุษย์เองนะเจอเรื่องยากเหม o อนกแต่ทีนี้มาเจอศาสนาเนี่ยเราเอาอย่างนี้ ว่ากูศึกษาความปรินาในระดับมหาวิทยามันเป็นสิ่งที่จะแก้ไขระบบของความปริญีให้จบลง นานี้เป็นริงที่จะแก้ไขความเป็นชีวิตให้จบลงท่านที่หลบภูมมั่นท่านก็มีคนทางชีวิตของท่านที่จะเดินไปอย่างนั้นเราไม่เก็นแต่ท่านหยุดคนทางเส้นนั้นไว้ทันทีท่านพลิกตัวเข้าสู่ระบบการแก้ไขสุดท้าย จบมงครงจบลงกับคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่พวกเรามาถึงสนาดนี้ผูบาอาจารมาเทศนานี้ยังปลอยนี่นก็ปล่อยตัวเดินตามเส้นทางที่จะพาไปเกิดปัจอย่ในนีเพราเราคุมไ่ได้พวกคนแหย่ตึงเข้าไป ลูกสิธิ์ลงปูมั่เข้าสู่ระบบการแก้ไขมีกี่องคทนไปโมดเลยเดี๋ยนี้ราพวกเราท่านอนค้ท่า น, น, นกประเทศก็พูดก็สังก็สมาแนะนำพะกเราเพื่อนๆปล่อยตัวให้อยู่ตามธรรมชาติ ธรรมชาติเองแหะคือเส้นทางระบบเดิมที่จะไปเราอยากบอกพุกคุณว่าหยุดเลยนะถ้าสงสารตัวเองหยุดเลยนะถ้ารักตัวเองหยุดอะไร เรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งี้ถ้าคุณไม่หยุดตัวนี้คุณจะไม่เห็นตัวเองเลยคนที่ไม่เห็นตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสเอาไวา้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไมายมั่นภพชาติของเขาว่าเป็นมนุษย์เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เลยไม่ได้ด่านะไม่ได้ดา่า เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสงกสัตว์อื่ๆแม้แต่ดก็เลยเป็นผู้ที่จะแกไขจิตใจตามหของพระพุทธศาสนาได้ผลร้เต์อที่มีร่างกายก็มีเราเป็นรักษาทั้งนั้นสาภูมิ กเดดกบบุตรเทพาเปรตสิอินโคลนยุบศัพท์นั้นพวกนั้นไม่มีมีเราครับศาตร์วทาศาตรเนี่ยคำว่าเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นศัพท์อื่นเขาก็มีเทวดาเต้ก็มีเทว่าก็มีอินของนเขาก็มีแต่เขาอยู่ในระบบของความเป็นโรลงเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้ จะถาว่าถ้ายังไม่ได้อถอนถอนคุณจะไปอยู่ยิมอยู่โคลนที่ไหนก็ไปเล้วตัวนี้ยังติดเน่นอยู่ตอนที่จะออ ก, ก, ออกผลได้ทุกเวลาทีเนี้เราจะปล่อยตัวให้อยู่กับความเป็นธรรมชาติจะปล่อยตัวให้อยู่กับ ระบบของความเป็นกรรมเหล่านัมีการเป็นของของตนนั้นมีการเปลียนเกิดมีการเป็นผู้จิตใจมีการเาารียนที่เพื่อนอาศัยวงจรของกรรมเรามาอยากคิดว่าเรามาปร่าๆไม่ใช่มงจรของกรรมของใครของมันทุกคนอยู่ในระบบบาระที่กำลังใช้กรรมั้งนั้น พวกคุณยังถือว่าสุขสบายอยู่หรอไม่ใช่นะแล้วก็ขอบอกอีกอจ่ึงว่าการเกิดการตายของพวกเราแม้แต่ชาติปัจจุบันเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณมุ่งหวังว่ า, วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีความสุขสําหรับคุณแล้วเนี่ยคุณคิดผิดเลยหรอจะมาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะเป็นความสุขเนี่ยคิดผิดเล้วรอ ไม่มีพระพุทธเจ้าตราัสเอาไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะเต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองวันสุดท้ายเสียอตัวเลยบันที่จะไม่มีอะไรคือบันนะั้นจิตวอญญาณไม่ได้รัก่างไม่มา บัตรสิ่ขอไม่ว่าบุคคลที่เราหมายมัน่นมาเป็นของเราจะโม่ะกันบันนั้นทีนี้ออกจากเมืองม น, นุษย์ไสมมติเรารปเิดอินเป็นพ ร, รมจะเกาอะไรตว้หมู่บ้านไปกั ยินจากโรมก็ลงมามืองป่าวนี้ะสมมติเราเป็นเทวดาหมทายุไขก็มาเมืองปราถ้ามีกรรมไม่ดียังฝังอยู่เขาก่อยจะส่งเราไปที่นึ่จึงกลายมาเป็นเทวดาเป็นอินเป็นโรมถ้าจะนอยู่บนโลกจะได้ไหรค ในวันความชื่อรอยอยู่ขอโทวทีไม่ได้นครับลงข้างล่างชุ้งชต่ำตรุ้มรุมโดนโดนหาที่ตายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการเรียนไายตายเกิดไม่ได้ไปเอาอะไรสักอย่างมนาะ ไมได้เอาไม่ได้แตเอาอะไรสักอย่างอยากคิดว่าไปเอามีหน้าที่เกิดตายเกิดตายนี่ใช้ได้เฉพาะมนุษย์ออกจาก ม, มนุษย์ไปสมมติว่าบุญพอที่จ ะ, จะได้เกิดเป็นเทวด า, าไม่ได้ไปเข้าร้องใครเลยเปลี่ยนชุดเทวด า, าขึ้นเลยเปลี่ยนชุดเลย ไม่ได้เกิดเป็นเด็กอย่างนี้นี่ฮัตสเล้งธรรมะให้เห็นที่ จ, จดัดจัดอันอัจที่สุดคือการเกิดแล้วแก่แล้วเกิบ แ, แ, แล้วตายประกอบคําสนอน ข, ข, ของพระพุทธเจ้าธรรมะที่ไม่มีคําเทศบรรยายก็คือเกิดแก่เก็บตายให้เข้าไปยุ่งไปทุกข์เทนั้นหน้าที่ของเขาเกิดแล้วก็ต้องไปทางนี้ คุณจะเรีนเขียนให้เขาไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเนี่ยหรือว่าสื่อสิ่งที่ไม่ใช่จะเรียดูผู้เสียก็ดนะีขนาดไหนไม่เห้นว่าำการทำ ง, งานให้เขานอนเลิทานอาหารระดับพัฒนาการหรูๆจนถึงบรรจัยเขาแก่ไหมเขาไม่ฟังใครทั้งนั้น เขาไม่พอใจนะนะคุณจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่รู้นี่คือผลทางเดินของร่างกายจุดจบก็คือลงไม่เข้าไม่ออกเมื่อลมไม่เข้าไม่ออกแล้วจิตปิญญาซึ้นเป็นตัวเราจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไ่ไเขา็จะเปแสดงบทบาทพบชาติต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาหาพวกเรา คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามากที่สุดของปรีที่มีคุณค่ามากที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสามาที่จะสอนให้เราออกนอกปัจจัยได้แต่วพวกเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้พวกคุณจุดจุดเรื่องของความคิจุดเรื่องของสิ่งอื่น พออยู่พอกินพอเพียงเรื่องของคนคอื่นก็จะตาะงรับผิดชอบส่วนอื่นๆ น, นั่นมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กงไม่พอยังกลับกลายมาเป็นโทษกันดีถ้าคุณต้องการสมาธิถ้าคุณต้องการความราบเรื่อในการเป็นในการดาเนินชีวิตของคุณ ถ้าคนอย่างนั้นอย่างนี้งนั้นตนี้อยู่โอนะ้รู้ไหมว่าเสี่ยงหนามหลุมพางั้ันนั้นน่ะต่อการเดินต่อหนทางเดินของชีวิตการเป็นบาปเป็นกรรมเนเสี่ยง็นหนาเล็กอยน้อยมาที่มาจ อ, อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้รเพราะฉะนั้ น, น, นตั้งใจเถอะเรามา เจอภูบาอาจารย์ระดับเพชน้หนึ่งเพน้ำหนึง่งเพชนหนึงนหน่งมาตั้งใจกับตัวเองจะเการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตนถ้าไม่รู้จักตนในหลักของพระพุทธศ า, าสน า, ามันก็จะเกิดไปนะหลวงูมิเาีท่านมาเจอศาสนาพวกท่านด่เลย ถ้าหมุนตัวกลับเลยเราจะเข้าสู่ระบบของการแก้ไขจุดจบของการเรียนมาตาเดิดไม่มีแต่เข้าสู่กับระบบของการแก้ไขโดยใชย้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือสุดท้ายของมนจบลงที่จะ พวกเราเช่น่ well ีความรู right? code, okay. mm ้ว hmm. ่าที่จเขยนไหมแต่สถานทีอย่างนี้เรเกิดขึ้นมาอายุของพวกเรามกขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมารงนัก็ยังไม่เอาเลย่เยในวันนี้เน าากาใจยู้ก็คือผ่านไปเฉยๆเจอก็จะเจอหน้าณะนที่ว่าผ่านไม่ใด้บิดโยกเข้าสู่การแก้พระธรรมคาสัาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งที่จะชักนำให้จิตทุกดวงเข้าไปรู้สภาวะ ของความเป็จนจริงจไหมพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชักนำให้จิตทุวเข้งสู่โลกความเป็นจริงขาพเจ้ากิต้อง ถ้าเรารอใครมามาเขียนพุทโธให้ใจได้ใจโลงแค่เราเองจจะปอมถ้าเป็นรถก็เราเองเป็นผู้ขับตันงแ่วันแรกที่ไม่หยุดงงมรถซาบีซาตาซาโรสะไรนี่มงเลย ความโก็บเเคนขับนนี่นะคุณาของคามเป็นโเปอร์ไเียเรื่องหัวคนนัน่ี่มีอะไรอากินแถมมูย เราก็ยังงงอยู่โชเฟอร์ที่จะมีคุณภาพรักสูงภาษาละเลยมาที่ทีบทีเนี่ยท่านมาให้คุณภาพของความเป็นโชเฟอร์ให้กับเพื่อให้ดีห้ามไปชนวัตถุสิ่งของห้ามไปชนเรื่องของคนนั้นคนนี้ แต่พวเราต้องอยากจะบอ ก, กคุณคุณว่าอาหารใจของปุถุชนคือการนินทาใช่ไหมถ้าได้จับกลุ่มนินทาเรื่องของคนอื่นมากกว่านั่งสมาธิฉันก็เอา เ็ผู้หญิงอ่อนไหวต่ออารมณ์นี้ปริฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากตรงนี้ไปเลยจะเป็นผู้หญิงที่น่าดูที่สุดจ่อจจ่อจสุกจิตกันดุทุกแง่ทุกมุมหัเราะกลางลั่นมันไช่รอไม่ใช่ไม่ แม่พดน้นเาบอกว่าเอาทิ้ไปทีตีเพูดอยนี้ิมา่เมืงี๋ที่ดีมันเหมือนกลับเวิรเหมือนน้เวิรดเวลาน้ำเิดเวลาตัวนี้มันต้องใช่เหตุการณ์สถานการณ์สมมติว่าเหตุการณ์มันครบถ่วเมื่อไหร่มันน้เวิดตู้หมมาเลย ที่ติดเธอนี้ยมการสาัมรัสการโอร่นื้อโดยปุ๊ขึ้มาเลยเมื่อโดยออกมาแต่และครเป็นโทษเท่านั้นถ้าผู้คุณสงสารตัวเองให้ตั้งใจขันหน้าเข้าสู่ระบบ ก, กายแก้ไขเสียละธรามะก็ยังเต็มไปด้วยรูปธรรเสียงธรมรมกลิ่นธรรมรสธรรมกลิ่นก็ อยู่ในโลกอันนี้ซ้ำพระพุทธเจ้ายันบอกว่าไม่เลือกเทศเลือกใบไม่เลือกชาติชนะั้นวันละนั่อยมีที่อทีก็ได้หรือจะไปนั่งวัดโดยก็ได้หรือจะไปนั่งอยู่ที่นอนของเราก็ได้ไม่เลือกสถานที่เพราะท่านทำให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วให้ผลไม่มีการ พวกคุณจะเอาของฟรีอะไรอีพวกคุณจะเอาของฟรีทำได้จฉพาะมนมุษที่เดียวเนี่ยถูกครับเชว่าาาเขาถามกันติดๆเลยว่ามนุกย์ในของปฏิบัติธรรมการ เรานี้ยอยากจะอยากจะตายจากเวลาอยากไปเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้จะหนุนสมาธิภาวนาให้เป็นพระอรสันไปเลยแต่ถ้าก็ไม่ตายมันก็มาไม่ได้พวกที่ยังไม่ตายจะเป็นมนุษย์อยู่ขนานั้นไม่เ่าอยา่ยพงศนิธานยู่ปฏิบุติธาไหม ในสติกูลิีกานีเป็นภรรยาของระกินอยู่บนสวงสะ ว, นสวนันนี่วบน ส, บสบาวสงกรานต์ทุกภรรยาของตะกินชักชวนกันมาจะไปเก็บดอกมาชอกชวนกันได้ที่แล้วก็มากันไป ไปเห็นส no ่วนหนอนในปฏิกูชิกาดัาหมดอาูุไข่หมดอายใไข่จากสัตว์บันก็เลยรงมาเกิดจนนี้พอโตขึ้นมาก็จำความได้ว่าเขาเค็นคนที่ยาของข้นอยู่บนส่วนหน่อยแต่ไมเกิดขึ้นเลยก็เลยตั้งใจ การใจสะาดคุณง า, าความดีเราขึ้นมาครับหน่อยเองก่นเข้าเป็นคนอุปถัมภ์อุปถัทธรัตรงค์พระร ม, มนเนรตอนชาคงมีอาหา ร, าราบันเทาออกไปคงมีน้ำอ่อยน้ำตาลน้ำฝาลวายทานะสวายทานแต่ทงกครันอภิานิตทุกครั้ง 菩萨รู้พระพเจ้าได้ให้ทานวันนี้ข้าพเจานเน้าจตายไปก็ขอให้ไปเกิดสวสบค์ชันที่สามีผม ข, ข้าพเจ้าอยู่เถิดทำอะไรทาไ ป, าไปอุปถามภ์พระเนเนี่ยพะเนร่ห็นงานปฏิบูชการเยอะมากเนี่ ย, มยแม่เลยนะแม่ เนี่ยอุตส่าหพโคตรลำเลยตอนต้นใบที่นี่พออายุไปได้แปดปีก็ตายตายปุ๊บขึ้นไปเลยขึ้นไปสวรรค์ชั้นมีอยู่เลยขึ้นไปพวกนั้นยังนั่งคุยกันอยู่ยังไม่ได้เกียรติดอกไม้เลย ผมไม่ไดกกั่า okay. น so oh, oh, ่ะเ็นน่ขึ้นไปเเขาเขถามกันห่าคิดนี่ไปไหนเหรอแล้วสติปุจิการตัวอธิยให้ฟังว่าโอ้คุนีอ่ะแคนี้หมดอายุขพอลงจากนี้ไปเจะไปเกิดเป็นุ ไปคนนั้นก็ตั้งใจจะบูญทารอธิษฐานตนมาให้บัตสึดตรงนี้มันก็ได้สดมองคีดกินแต่ว่าทีนี้พวกที่นั่งคุยกันเหน๋ยวนี้ก็แห่มาสามนานว่าเป็นยังไงเหอเรอเมื่อมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าทีโอทนีนี่มูลพระมาตื่น มาแท้มาทำบุญเขาประพฤติปฏิบัติทำกันบ้างไหมเขาเห็นความสาัสังขของศาสนาบ้างไหมงานปฏิบูธิการนิ ส, ะะรนสัยว่าอเลยแต่ไปคิดกับมันเถอนลึกซึ้นพอมันก็ได้โชว์ลายใส่ผ้าเยียมมันก็รีบู่เป็นวันเงิอยู่หน้าจอโชว์ลายใสา่มันไม่ยอมพูดโทรกันเลย นาบัตพวกนั้นก็แอบแต่งทานขึ S ้นมาโอ้ไมัยของคุณเป็นอย่างนั้นพวกบครอของมนุษย์ที่เจอศาสนาแลวก็ถือบาเป็นมหาบุญมหาเปโสนทำไห้เขาทำตัวเป็นกาบปากของศาสนาเนาะเพราะว่า ทำไมเขาไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมโทรศัพท์มันเอาใจขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกโทรศัพท์มันเอาใจขึ้นพันธุพันไม่ได้หรอ ก, รรอรรรอกถ้าคิดไม่ดีกับโทรศัพท์ก็ทากับส่งตัวเองลงนรก ท, ทําไมพุทโธเขาเขาก็ไม่เข้าเขาจะเอาอะไรกับมนุษย์มันมีครบเดียวเท่านั้นแหละที่จะปกติปฏิบัติธรรมได้ ออกมาอยู่อย่างพวกเราเนี้ mm. ก็ไม่มีร่างกายอยากที่จะถิ่งสถิตอยู่พอที่จะเล่าพูดโตพอที่จะดั้งมาีิพอที่จะขาดเกล้าจิจใจอันนี้ให้ใสสะอาดไปได้ทำไมเขาไม่เอาอเรา เ, เอาเปไหนะจริงๆหรอเดี่ยวอะไรปฏิปุิกาใส่ร้ายพวกเรา ไม่ใช่เนาจะทำยังไงเราบอกพวกคุณนะว่าจิตใจเนี่ยถึง้งว่าเขาจะไม่ชัดเจนอยู่กับฐานที่ตั้งก็ขอให้เขาตามตัวของเราเหมือนเงาใช่ได้รักษาเครื่องอื่น เรื่องของคนคอื่ถ้าไม่จังเป็นถ้าไม่ใช่อยู่รงขอบเขตในการที่จะพูดที่จะรู้ที่จะคุยนอกไปกว่านั้นเขาเป็นอย่างนี้มันมันเสน่เพะพวกคุณไม่คิดจะแก้ไขกันตรงนี้หรอแต่มาซีพอัช่ที จะไปเกิดกับสถานีในเมืองไม่ใช่เกิดกับม น, บนุษย์เทานัาจะไปเกิด ก, กเกดกับที่กในเมืองมนุษย์ก็ไม่มีเกิดขึ้ที่จิตใจของม น, นุษย์ที่เดียวเพราะเรามีจิตใจทำไมไม่ทำให้สถานีเข า, าเกิดข เราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงมันที่เราข อ, อจากมนุษย์หรุอาคนใกล้จะตายเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการบุญอิฐเนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยกินอะไรแต่ถ้ารักษาเขาสูกทา่านเขาจะมีพลังมากเป็นที่พึ่งอาศาัยอันสดยดเลย จิตไม่เคยกินอะไรเลนะฮะตายไปเขามีก๋วยเตี๋ยวไหมจิตมันเป็นธาตรู้ธาตหนึ่งเท่านั้นซึ่งเขาไม่ได้กินอะไรแต่ถ้าบมพาะให้ดูกลับของาศาสนาเขาจะมีพลังหยินระบกหนึ่ง เข้าสู่โลกของความเป็นจริงแม้มาอยู่ในมนุษย์เขาก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยพวกคนหิวข้าจากทางก๋เตี๋ยวพว่อกับรถไปถึงร้านก๋เตี๋ยวแล้วทานก๋วเตียวหมดไปจานหนึ่งใครได้ประ ไม่ใช่จิตจินนะจิตเป็นค น, นเลกคิดเฉยๆว่า อ, อยากกินก๋ยเตียวอยากทานก๋วเถียวไปถึงกลางทางอยู่นั่นนะ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มจิตเป็นผู้รู้พอทานจบลงไปแล้วประโยชน์ของเป็นเรื่องของกายกายนี่นเนรื่องอะรเนยเขาตายออกจาก แต่เม <là> ื่อเราตายแล้วจิตปัญญาตัวนี้ออกไปเขาก็ไม่ได้กิเข้าเที่ยงข้าวเช้าข้าวเยนทีไหนนเร่งตัดดันให้เขาเป็นไปเพรานั้นคนนี้ือบัขรกุลพอเข้าใจไหมบัปรกุลตัดดันให้เขาไปปกติแล้วเขาไม่เคยกินอะไรแต่เขาเป็นอยนี้มานานเสนนา น้าเสียนเรามาุเราเพิ de <trad> ่งเมู้ว่ามันนี้แหละคุณคือเราแต่เขาไม่รู้รู้รู้ตัวของเขาเลยว่าเขาคือเราจนกว่าจะทำให้ใจสะอาดพริสุดถึงจะรู้ว่าเขาคืนเ้าเขาไม่คคยคิดอะไรเลยเขาไปสรู้จะเป็นโซ่ของเราเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าบนไม่ทอ ออกจากมนุษย์ไปตะกันหมาเรื่อาพอใจไหมสงสัยจะไม่พอใจแต่ก็ไม่มีส่วนที่จะมาแก้ไขได้นะคการแก้ไขคือสนองให้ตามบารลุของเขาไปเขาก็จะเตลียงของเขาเอแต่กว่าจะมามนุษย์อีกเที่ยวรู้สึกว่ใช้เวลานานมาอีกไม่เจอแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นการเรียนว่าตายเกิดไม่ใช่จะไปเอาสิงใดสิ่งงมีหน้าที่ไปเกิดไปตายที่เฉยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้างส่งสารพวกเราตรงนี้ว่าหนีเถอะหนีเถอะว่าแต่เป็นคาสอนไว้ว่าเจโกมัโหมีหม่หนทางเดียวเป็นนิยายนิยธรรมที่เอามาบรรยายองค์นั้นก็มาพูดรงนี้ผ็มาพูดนั้นคือการชี้ อาเรื่อพวกแบบพอเข้าใจมั้ยระบบของการเงินว่าตายคือตายวันนี้เกิดพรุ่งนี้ทุกสิ่งเปลี่ยนหมดเพราะไม่เอเปลี่ยนหมดแล้วกายนี่บาปบุญก็จะมาแต่งชุดส่วมไปเลยไม่เหมือนเดิมเลยเราใช้บาปใช้บุญ ขนาดไหนมาตกแต่งว่าใกาได้มาขนาดนี้แล้วพว่อขนาชาติแ้กมีบาปมูลขนาดไหนจะแต่งให้ตัวเองมาเท่ในเมืองม น, มนุกอีกทีไม่ตจ้าว่าหรอว่ามีสิ่งที่จะทำให้จบจบไปเลยคนไหนคิดว่าจะไปต่อ เขาไม่มีเพศไม่มีวบเขาไม่เคยตายเขาไม่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลไหนทั้งนั้นเขามีมีชื่อเขาไม่มีตระกูลเนี่เขาเป็นนักเรียนว่าตายเกิดโดยธรรมชาติแต่พระคัมภีร์บอกมาโลกให้ลงมาเลยก็ไปไปไม่ได้เพราะอายุใครมี เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากจะหนี้ะเกิดชาติไหนอีกเลอยอยากอยู่นี้ประจำก็ ไ, ได้เตุเขาช่วยตัวเองไมได้เดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนอกจากผู้เป็นเจ้าของจะตั้งสติแล้วเข้าไปเหตุเขา ไม่ให้เสพอารมณ์เพื่อจะเป็นสมาธิเท่าไหรเดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ครัมีหน้าที่เ็มอารมณ์อย่างเดียวนั่นกูเธอความไม่เชื่อตืนทึ้มารู้ตัวยังไม่ได้แปลงันเลยไปรอบประเทศไทยสรอบแล้วจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรเขาช่วยตัวเองไม่ได้น้ำมาทำหิวไป นั้นนะเกาติดมาอย่างนี้หลายกลับหลายกันแล้วก็จะเพ็นอยู่อย่างนี้ตลอดเราตองมองว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตนเข้าสู่พระนิพพานนี้ยังยัรู้จุดจบอยูน่นะผู้ที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นตั้งเ่ิดต้งตา ย, ยานีน้ไม่มีจุดจบพอไหม ขนาดนั้นหน่อยคร <c oughs> อบครัตายใจแล้วเหรอกับชื่อตระกูลที่เขาตั้งให้เ น, นี่ยมันไม่ใช่นไม่ใช่เป็นจดหมายที่ตั้งขึ้นมาพิเศษนะ ไป้ส well. well ุ Son ่มเตที่แล้เนียเข้าใจหมมีใครอยากถามอะไรเาไม่เป็นชายเป็นหญิงนะจิตตรงนี้เป็นชายเป็นหญิงนีคือบุญอดีตชาติบุญจากอดีตชาติไม่รู้ว่าทบุญนดไนาทบุญนดไนง ประเด็นเมื่อถึงจุดนี้เราก็ไม่ใช่เมืม่ออยากให้กคุณให้การแต่ก็ให้การถึอกันไปไม่ถึงก็ได้ใช้แต่เราอยากให้ยืนอยู่จุดที่มันเป็นยอดแห่งบุ ต, ตรการเป็นตบบนี้รรารอกเรา ยังอยูนๆพระพุทธเจ้ากเราผมว่ท่านก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไหนเช่นทสนือา้ากมารถคิดตัวเลยในองคลาท่านเราบดาเลยว่าเราควรจะรูุเย กาททุกคนพยายามองตัวเองให้เห็นโลกวลกว้างวงเถอะพยายามมองเห็นมองตัวเองให้นวิถทางออกเถอะเป็นสิ่งดีที่สุดทการทํางานด้วยกันอยู่อย่างนี้ทิศมันเป็นปกตธิธรรมดาใช้มากว่โทษมากไม่ใช้ก็ไม่มีโทษปั้งทิ้งเป็นสิ่งที่สบายใจเหลือเกิน พวกเราก็อยากทำกันนีะฮะที่สีนี้ไม่มีหนที่อะไรนะมีที่สร้างความเชื่อให้ความเป็นชีวิตเท่ากันจะบอกให้มีหน้าที่สร้างเครื่องม no ือที่จะให้เราลงในโลกอย่างเดียวอาจารย์หลวงพ่อ แต่เรื่องอะไรตั้งแต่ันที่สี่พวกผู้พากนี้ไม่มีภาษาคุยกันเลยเหรอโอ้โหทานาจารย่ารสอบสามหนึ่งรครับคือสริดซึ่งคนเขาพูดหรือเล่ามา ว, าว่าการเอาประดูกคนตายเอาที่บ้านมา ดจงจิตดวงวิญญาณกยังอยู่ของกระดูกมันแต่เพราะว่าใช่จริงแล้วใชาา่แยกจิงแล้วกระดูกซึ่งเป็นธาตุดีกันแล้วก็ไม่น่าจะยกแบบอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือกีาก็บกกอก ว, าวา่ามีกระดูกอยู่ต้องให้ข้าวให้น้ําเลยแบบัไม่รู้ว่าดงกิตดวงยานั้นก็ไปถึงอยแล้วแล้วเายังอยู่ตรงนั้น ถ้ากระดูกมีอำนาจกรรมมันก็ไม่มีอำนาจใดๆพระพุทธเจ้าบอกวากรรมไม่มีอำนาจสูงกว่าใลๆไม่มีใส่แกได้ล้างได้ได้ถ้าจะาเข้าใจกระดูตรงนี้ว่าจินยาสิงอยู่ตรงนี้กรรมมันก็หดราคาเล กรรมมันเป็นคนสั่งที่จะให้ไปเกิตรงนั้นตรงนี้ถ้าทำจิตอยู่ในกรดะดูกจริงๆมันก็ง่ายเนานะนใส่ผ้าไปไปขมเขาพัฒนาแต่สนามากมารลยวทางเขาก็จะเหมือนลอยาหมดแต่ว่าเหมือนสมัยก่อนเขาเป็นคามเชื่อ ในตรงหลังเขาก็ไม่ค่อเก็บเขาก็ลอยอาไป่ไป4หมดนะแต่ว่าเนเดก็ยังมีบ้างมันนั่นนี่เราเราอยู่ในขอบเตของพุทธศาสนา้องเช่อแเ่คนเร่องะดูุไม่ได้ังใไม่ได้จะดูนก็มเินเทายธรรมดาเนี่ย เป็นหน้กากระไรส่วนหนึง่งพวกคุณบอกพรริยะแค่นั้นแหละแล้วพระพุทเจ้าพระพทธสง์ของเรามได้เห็นเนี่ยม่ใช่จิตนมันจิตปัญญายไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกจิตมันมี้ที่ไปตามกรรมอย่างที่เราอธิบายเมื่ี้ ตายแล้วท่าบา้านเป็นร่ า, าแต่ว่าสึงหนูบ้านนั้นก็ยังไม่ได้เลยตามมาันลากไปจะทำยังไงกูไม่ยอมไปเกิดไปตายที่ไหนล่ะกูจะไปจะถึงแต่ติอยู่บา้านหลกูเคยสร้างไว้นี่แหละเอาเราดูสิมันไม่ได้มัไม่ได้กำพินใหญ่ เร่องเสยังไม่จายมันยังลาบไปลาบมาอยู่เนี่ยอะไรมาเกิด อ, อยู่ด้นะมันลาบมันอย่ลำปางมขนาดไงต้องเชื่อตรงนี้หดมีอที่มีอยู่แล้วก็เอาไปลอยสรต่อที่เกีเยย่ยวองอีกียวไรกันซะได้ การละเล่นเล่ น, นมันไม่ใช่อันไม่ไม่ได้มาใช้อำนาจของความเป็นกระดุกนะพระพุทธเจ้าว่าเป็นมันเป็นเรื่องของใจพรคุ ณ, ค ณ, คณก เ, กเข้าใจไหมแต่โยมโยบ้านจะเอาข้าวไปทุกวันทุกวันก็ไม่ได้จริงเลยงมีอาแปะคนหนึ่งอ่ะมีฐานโอ <c oughs> มีฐานโต <c oughs> พระเฒ่านนีเกิดเป็นเศรีนะท่านอยู่ไม่นานท่านอยากจะไปเสียเสียแล้วก็เอาไเท้าภาษาเขาได้เพรเขาเจ็บนเช้ามาก็ให้คนใช้เอาติดโตไปภาษาคนใช้ได้เอาติดโตไปไป วันเอาไปได้สองวันวันที่สามนี้รู้สึกว่าฝลลน ล, ลงอง่ะฝนลงยางอ่ะชามก็ต้องเดินข้ามรองน้ำไปนี้แต่เพนที่ฝน ล, ลงน้ำเือลงน้นไปไม่ไดก็มันนั่ดูข้างท า, า, างนั่งดืเป็นโจทย์นัอยู่ไม่นานพระชูดงมันมีเทวา ถ้าจะข้าไปไม่ได้แล้วปราชา์ในกินตัวนี้ถวาไหวตุ้งรู้ด้วยนหวก็รูด้วยสกัดเลยออกจาคืนมาเป็ดฝันเป็ดฝันวัที่หนึ่งกั่าว่าพระนาตายไปแล้ววันที่หนึ่งพวกกินอะไร วันที่สองก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันที่สามไม่เออได้เห็นติโตมาฮ่าจูมาเอียนหรือว่ามาเอกแฝกมาเรียกคนใช้มามงเอาโตไปไหนมันที่หนึ่งับที่สองมเอาติโตไปชิ้นที่ไหนตอนเ้ามก็ไม่ได้เอาไปชิ้ ก็ออกไปไปพัฒนาเ่ยอันที่หนึน่งเาออกไปนั่นและวันที่สองเราไปนั่นแหลวันที่สามมึงเอาไปไหนอ๋อขอโทษวันที่สามไม่ได้ออกไปวันที่ฝนมันลงเนะ่ยก็เลยไม่ได้ข้ามน้ำไปไม่ได้ก็เลยเอาใส่บาตรรับผู้โดดสาธเต็มออกนะ วูนที่หนึ่มันไปปัสสาวะเขาไม่ได้กินวันที่สองมันอไปปสสาเขาไม่ได้กินวันที่สามนี่มันใส่บาตรพระุดลงเลยกินเลยทีนี้เอแต่ผมกำกับเรือกับตัวได้ตรงนี้ว่าัายการให้พระที่ไครับไปวางไว้ปัสสานี่ไรันเลย เพื่อจะหาอุปนิมภัสสะพระสงฆ์ขึ้นมาพวกเราก็เหมือนการกระดูกระดูมันจะมีอะไรอืมันจะมีอะไรกลางทุกคันถ้าไม่ได้นี่ส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศใท้นี่ไม่มีความหมายอะไรเลย เ น, นี่ยน่งตังเทศตั้งชั้นได้สบายอาหารได้หรือว่าไปทำดีที่ใดที่หนึงนึกถึงท่านเนี่ยถึงไม่ได้อยู่กับการกราดการไหวเะไรนะไม่ได้อยู่กับว่าอยู่บ้านอยู่ไหนเลยนะของพ่าเราไม่เก็บเ็ษพวกเรื่องุดุมตรงนั้นฝนะังตรงนั้นเลย เดินขาไปไปรอที่ไหนล่ะแต่ก็เราขำขำเลยขำที่ตัวเองดีก็คือต้องเชื่อตรงนี้ก่ไปคิดไปถ้ได้อ่ะนี่ นี่ย่างไงบ้าคันธนีอะไรสงสัยร่อเอพาะคำตรีวันนี้อาจารย์ต้องมีติดต่อนะครับไปวรนยาครามอาจารย์ท่านก็ไม่ต่านะอันนี้เราเกินเกินถึงคํา้ที่จะคุยกันเแล้วเป็นธรรมะประกอบไปด้วยท่ามาเรื่อยๆไม่ได้คุยกันวันนี้โอกาสหน้าถ้ามาก็ต้องมาจัดไม่ต้องทานข้เที่จงกัน วัวเดียวสิ่งข้างเย็นจุดเลยเราพบกลับบ้านพวกคุณก็ทานข้าวันเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่จะให้ตัวเองรู้กับตัวเองถ้ปล่อยใหปล่อยให้ตัวเองไปรู้ของคนอื่นก็เป็นไม่ใช่โอกาสที่ดี พวกคุณไม่เสียดายเราเสียดายการเป็นมนุษย์ของพวกคุณนะกำลังจะหมดลงแล้วเราเสียดายโอกาสที่ได้เป็นมนุษย์เราเสียดายคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังจะผ่านไปแล้ว ฉันทำอธิษฐานได้โดยที่ไม่เสียเวลาค่ะไดบอกแล้ว่าเอาปฏิบัติอยู่กับจิตจิบัติกันมันคือทำความรู้สึกไม่คิดเรื่องอะไรเลยรู้เฉพาะตัวว่าคุณไม่ปิดกันเลยทานข้าวอยู่อร่รอยสดใสมันยังไปคิดอีสาวคนอื่นได้ ขับรถเพลิไปมันไม่ได้คับรถ อ, อยู่กับตัวเองเลยหรอกมันคิดเรื่องของคน อ, อื่ไมไมคิดตัวเองอะ่ะทำไมไม่อยู่กับตัวเองทําไมไม่ยินทาตัวเองทําไมไม่คิดเรื่องของตัวเองซึ่งมันเป็นผลทางของพระนิพพานโดยตรงเพราะมันไม่ฝืนเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ย ขึเขา่วยตัวเองไม่ได้เรื่จิตตรงเนี้ยเดี๋ยว น, นี้ผู้เป็นเจ้าของก็องต้งสติแล้วก็เข้าไปช่วยจิตตรงเนี้ยเขากำลังอยู่ตกอยู่ในสามของอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้ก็อออกไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยตั้งสติไปมาหยุดหยุดการเสดอโกรกเข้ามาอยู่กับตัวเอง นี่คือหนทางกระนิพพานนี่คือการเก้าเดินเขากินอะไรให้เป็นแต่เขาไม่มีพลังถ้าเขามีพลังต้องพ้องกับการขัดเกลาให้ใส่สถานโริสุตต์ต่อไปกระนิพพานก็คือคนนี้แหละ ชัดเจนโน้ตุ ม, มั่งหนทางที่ท่านจะเดินชีวิตเหมือนพวกเราก็ยังมีอยู่นะแต่ท่านหยุดพลิกตัวออกจากเส้นทางตัวนั้นเข้าสู่ระบบการแก้ไขสุดท้ายจบหนทางของชีวิตของท่านไปเกิดไปตายก็เลยโมฆะไปเลยชัดมากอันนี้ชัดมากเดี๋ยวนี้พวกเราเอาศาสนาป้องไว้จะเดินต่อ ไม่แก้ไขแต่ต้องการจุดจบเองเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีเรื่องอะไรเกิดืึ้นคนเป็นสะรเนี่ยต้องการจุดจบแต่ไม่ยอมพลิกตัวเองเข้าสู่ระบบการแก้ไขปล่อยให้ตัวเองและวกจจิใจได้อยู่ ตามระบบของความเป็นธรรมชาติภาษาที่เราใชรสมัทุกวันนี้ก็เดินเดิมลงเดิมแต่เป็นหนึ่นะงเ น, นี้เดินเดิมทันทีทันี้เครื่องที่จะห่อจะเขยนแล้วต้องสูงพัฒนาบาลนี่เนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เราไม่ได้สู่ระบบการแก้ไข อาจารย์เด็กๆก็บอกว่าดึงดึงต่อไป มชถ้าคุณถ้าคุณต้องการแก้ไขก็คือเข้ามาถ้าคุณยักคิอยู่ก็อย่าได้บอกเลยว่าคุณเกิดต้องเป็นควมเป็นสมาติเดี๋ยวนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณมาฟังเทศมาทำทานไม่คุณต้องการอะไ ร, ต, ร, ะไรต้องการบุญ าการำบุญมึงก็ได้ไปดดดได้หรอเฮ้ยถ้ากสุดจากกิเลสตักตอไม่ได้ช่วยกนตคุณจะทําทานให้หมดตัวในชาตินี้เดี๋ยวนี้บุญอันนั้นก็ช่วยคุณไปพระนิพพานนะ่ไดเพราะบุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยส่งผลให้เขาใครเข้าสู่พระนิพพานเลย คุณจะให้ทานหมดตัวเดียวนีน้คุณก็ไปไม่ได้พระนีน้พาเพราะบุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยส่งผลให้ให้ใครเข้าสู่พระนิพพานเลยจะมีมากเท่ากับรูปโลกที่ก็ยังไปพระนิพพานไม่ได้พระนิพานเขาต้องการบุคคลที่มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ทางใจซึ่งไม่ต้อง เกี oui. ่ยวกับบุญเลยได่ใส่บอว่าครั้งแรกเราก็ต้องรู้ว่าใหญ่ยัเป็นยังไงก่อนไปยังสิงห์ดวงดาวแล้วไม่เคยมาเลยเหรอแล้วไปสิงห์ดงดาวแล้วห พระนิพานเขาไม่ต้องการคนมีบุญพระนิพาเขาต้องการคนมีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาบุญไปแักติดตนึงเนี่ยเขาได้ทิ้งเลยเขาบอกเ่าทิ้ยเอทิ้งอย่าเอาไปนิรันดรความสุขที่แท้จริงไม่ไมีไม่ไไม่ไม่ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้มีงเกี่ยวคนอยตรงนั้นก็มีความสุข เราไม่สำคัญเพราะฉนั้นบุคคลที่จะเข้าสู่พระนิพพานีบุญมากแต่เอาไปไม่ได้ต้งิ้เอาไปมะไรไปศึกษาเรื่องจิตใจอยู่ที่ไหนอย่างไงมัถ้าจะพูดอีมันก็เป็นการซ้ำซ้าซกำตัวนี้จะเสง เข้าใจไหมเข้าใจไหมทำให้ต้องการคนมีบุญหล้วนี่ปถ้าอยู่ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรเนี่ยบุญเลยเป็นสิ่งอำนวยความสบายกถ้าออกจากวัฏจกักรใจนี่นก็คือมีอยู่ที่เดียวเท่านั้อ้าต่อไปต่อไปหรอม่ ตอนเช้เาเละรไปหนชั<ป>่วโ<ป>มงหน่ชั่วโมงครับอนนแล้วราราชารเพียงแค่แกงมานะครับก็ให้สวาทแล้วก็มาตักรุเสือนนะครับพวกเราให้โอวาททางตองจริงในการปฏิบททัติจริงๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นการขั้นต้นของการปฏิบัติแับเมื่อฝ่าประจารย์มาตั้งสางชั่วโมงครับหรือว่าอาจจะไปที่วัด ดอนนี่นะครับวัดสงพระอานะครับอันนี้ก็ือว่าท่านกำงไปว่ตอนนี้ไมไ้กินนะครับจะมาอีกท่านนีวมางทีเราแ่ใมากแบบนี้เราก็ได้ว่าโยมอิ่ม ม, มีวมวล ม, มาสองสามีมวลมาแคทอธิบายให้สองสคนแค่เน้นนี่มากเาเงกรการจัดกิจกรรมนี้าไม่ได้ นอกนะครับก็ในมื่ออที่ยังไม่แล้วก็คนพูดสนใจในทาก็จะเข้ามาตอนเยอะตอนปุนะครับไวีเวลาที่เรื่องสถานโควิดได้ที่คลายลงแล้วก็ทาอุปกรณ์ก็สามารถให้เราจัดได้จริงๆนะ น, นั้นเดี๋ยวค่อยว่ า, ากันจนริงๆต้องสงสาพวกคุณเนยสสร จะหาพ่อัฏิบัติเวลาทอนานาและผิดมันรีดมันรีดมันรีดอย่เด็วแต่ว่ามันก็ยังมีความคิดอยู่ออกไปเลยกๆอะไรนะคะจะต้องพิจารณาใจต่อหรือว่าจะเอาจะมาามต่อไปทพิจารณาเป็นความไปเได้ถ้าสามาธาไปไม่ได้ผมรม่ไป พิจารณาเนี่ยนจะมีอยู่สองอย่างนะคุณพิจารณาในระดับของจิตยังไม่เป็นสมาทธิเขาเขาเขาก็เรียกว่าปูปลายเพื่อที่จะทําให้จิตไม่ออกไปนอกอย่งเช่นบริกรรมพุโทโธบ้างดูลมหายใจบ้างกําหนดเป็นความรู้สึกบ้างหรือบ้าจะนึกถึงศาสตร์ใจส้ภูมิพิจารณาร่างกายก็าเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกอย่าอ่ะ ร่างกายน่่ะ น, นี่คือหนึ่งนี่ยันนาฬิการ่างกายอยีกขั้นตอนสองคือหลังจากจิตเป็นสมาธิแล้วจิตไม่มีกระแสของความเป็นวิ ป, ปัสสนาก็าให้พิจรารณากายด้วยความนึกคิดเราพูดแล้วหนาเมื่วานเนี่ยเอาความคิดเอาพลังของความคิดเข้าไปสะกิด กร่แสจิตเพื่อที่จะให้ดิบออกมาเป็นวิปัสนาคือนึกนึกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออ็นกระูกนึกอยู่เรื่อยเื่อยนึกหรือจะนึกอะไรก็ได้ <c oughs> คิดไปคิดไปถ้าคิดอยูถ้าตัว ย, ตย่าจิตที่เป็นสมาธิเขาก็จะโส่งกระแสะออกมากระแส ต, ต, ตัวเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์เนี่แแต่หนุนด้วยสมาที่เขาไม่โดดของว่าอารมณ์เขาเรียกว่า วิปัสสนามันจะเป็นสองอย่างกิจไรเนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งอยู่เฉยอยู่บางครั้งมีอารมณ์ฉุกคิดขึ้นกลางใจถ้าเรามีสติเราไม่ตอบสมมติว่มมาเขาคิดเรื่องนั้นถ้าเราไม่ตอบเขาก็อยู่ทุชเลย หยุดเคื่อเขาพุหมดตัวลงไปเลยเยน้ๆนนเลยอันนี้นะแต่ถ้าว่าเขาจะออกออข้างนอกเรื่องข้งนอกเอาเรื่องข้งนอกไม่ใช่เกิดสูญชีพเรื่องข้งนอกเกิดขึ้นเขาไม่ตอบเขาก็ไปไม่ได้เมื่อเขาไปไม่ได้แล้วเขาเขาพุ่หมดตัวก็มาเราทำอะไรแบบนี้นะนแบนี้จัดแล้ว เขาคิดแค่นั้นอยู่แล้วแลเขาไปรู้ทันทีว่าอ๋อเขากำลังคิดแค่นี้เราไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปพอกเข้าใจไหมคล้ายๆอย่างวันี้ท่าให้เด็กฟังเล่าไปถึงขึ้นขึ้นช่องแล้วก็หยุดเด็กมันก็ต่อไปได้แล้ว มาม า, าต้องิจาาต้อเรืว่าอย่างนี้นะเดอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ต่ อ, เ, อเขาก็ไปไม่ได้เ้าหยุดเพื่อถอดตัวเข้ามาหรือจะดับเลยเข้ามาเลยก็ได้อ่สองอย่างใช้ประเดทใช้การประเดทศึกดับเลยหยุดคิดเลยอยู่ตรงนี้เลยก็ได้แตี๋ยวนี้ กันอย่าเป็นมาีิเร่ต้องเบาหน่าความรู้สึกกับความรู้สึกตัวเร่ต้องเบาหน่าถ้าไปเกิดอาการเพ่งจดจอ่อตั้งใจจบเลยรือเด็กเขาจะไม่เกินตัวเลยดขาถ้ามีอาการสองอย่างสา อ, อย่างเนี่ยต้องทำให้เหมือนไม่ ได้ไหมมงองการนี้กับตาใ น, นตายใ น, นจะรู้แตนน่เราฝืนแตน่ฝืนฝืนไปฝื้นฝื้นฝื้นนี่มันต้องเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บบางครั้ก็อยู่ปื้นด้วความอยากรู้ เราเข้ามาพอเราเข้ามาทุกมองช้าๆตั้งหม่ตัวนี้หรืออไรเขจะเป็นอย่างนี้แบบไม่สั่นใจอะไรที่เขาเป็นสมาธิลงไปเอาไว้เฉยๆอุตสา่าหนะ์นอยากให้เต็มวัน ในษาสะที่เขาให้ขอแบบขอบคุณเช่นระอาจยแสดงระทูตโตเป็นอย่างเิ่งที่ในวาระที่ท่านเบตจามาเนียรับทวงนึท er ่านชาวภาษาสุทธิมาด้วยและที่ว่าให้บรรยากาศได้สวยนี้และหารตระการในวันนี้นะครับสดครับสครับ